มีจิตัตามีความเงื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนพุทธศักราช2560เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมา ทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเพื่อความเจริญก้าวหน้าในวิชาความรู้คือปัญญาที่จะเกิดจากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกัน าการฟังเทศฟังธรรมเป็นการรับการถ่ายทอดปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสู่ใจของพวกเราเพื่อที่เราจะได้มีปัญญาเหมือนกับพระพุทธเจ้ามีความรู้ความฉลาดมีความสามารถเหมือนกับพระพุทธเจ้าคือสามารถหลุดพ้น จากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราไม่มีปัญญาของพระพุทธเจ้าเราจะไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเรานั้นหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าเราจึงต้องมาฟังธรรมกันอยู่เรื่อย พการฟังธรรมจะทำให้เราได้ยินเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนและเรื่องที่เราเคยได้ยินแล้วเมื่อเราฟังบ่อยๆเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังก็คือเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของเราพวกเราไม่รู้ว่าเรามา จากที่ไหนและตายไปเราจะไปที่ไหนกันเพราะเราไม่เคยเห็นตัวเราเราเห็นแต่ร่างกายที่เราคิดว่าเป็นตัวเราแต่ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวเราเรารู้ว่าร่างกายจะไปไหนหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วร่างกายตายไปก็ต้องไปวัดไปเมน ไปสุสานใบป่าชาเพราะว่าเป็นที่ไปของร่างกายเขาไม่เก็บเอาไว้ในบ้านเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมันเหม็นน่าเกลียด น, น่ากลัวก็เลยต้องส่งร่างกายเราไปวัดไปป่าชา้าเพื่อทำลายเพื่อให้หมดซางไปพวกเราก็เลยไม่รู้ว่าบุญหรือบา ที่เราทำกันนั้นใครจะไปเป็นผู้รับผลบุญผลบาป ก, กันเราไม่รู้ว่าใครจะไปเกิดแก่เจ็บตายกันเพราะเราคิดว่าร่างกายเป็นเราเมื่อร่างกายตายไปร่างกายก็กลายเป็นดินไปกลายเป็นขี้เท่าไปแล้วใครจะไปเป็นผู้รับผลบุญผลบาปใครจะไป เป็นผู้ไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่ <Yeah. S 1> อันนี้เราจะไม่มีวันรู้ได้จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมมีตาทิพย์ <Yeah. S 1> เห็นตัวเราที่เป็นร่างทิพย์กัน <Yeah. S 1> ที่เรามองไม่เห็นตัวเราเพราะตัวเรามันเป็นร่างกายทิพย์ ร่างกายทิพนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายจะเห็นตัวเราเห็นร่างกายทิพของเราเราต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าเราทำใจให้สงบได้เราก็จะเห็นตัวเรา <S <S 1> <S 1> เห็นร่างกายทิพของเราแล้วเราก็จะรู้ว่าร่างกายยาวร่างกายที่ เราได้มาจากพ่อแม่นี่ไม่ได้เป็นตัวเราเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งที่พ่อแม่ให้เรามาเอาไว้พาเราไปทำอะไรต่างๆ mm hmm. เราก็เลยไปคิดว่าเราเป็นร่างกาย mm hmm. เราก็เลยทำอะไรต่างๆ mm hmm. กับร่างกายเพื่อให้เรามีความสุขกัน ในาการหาความสุขของเราบางทีเราก็อาจจะไปทำบาปบางทีเราก็ไม่ได้ทำบาปแต่เราก็ไม่สนใจเพราะเราไม่รู้ว่าทาบาปแล้วจะได้อะไรเราก็คิดว่าอย่างมากเวลาร่างกายตายไปร่างกายก็จบแล้วใครจะไปรับผลบาปนรกสวรรค์นี่อยู่ที่ไหนมีจริงหรือเปล่า เขาส่งจรวจขึ้นไปสำรวจในท้องฟ้าก็ไม่เห็นมีสวรรค์ส่งเรือนำน้ำลงไปใต้ทะเลก็ไม่เห็นมีนรกเขาก็เลยไม่รู้ว่านารกสวรรค์มีจริงหรือไม่แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคำสอนพบกับพระอริยสงสารกท่านเป็นคนเห็นนรกเห็นสวรรค์ เห็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปคือถ้าทำบุญก็จะได้ไปรับผลบุญในสวรรค์ถ้าทำบาปก็จะไปรับผลบาปในอบายผู้ที่ไปรับผลก็คือพวกเราที่เป็นกายทิพย์ที่ไม่ใช่เป็นร่างกายกายทิพย์นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายกายทิพย์นี่แหละที่จะเป็นผู้ไปรับ ผนบุญผลบาปต่อไปแล้วหลังจากที่ใช้บุญใช้บาปหมดแล้วก็จะมาได้ร่างกายจากพ่อแม่คนใหม่ของเราเหมือนกับที่เราได้ร่างกายอันนี้จากพ่อแม่คนปัจจุบันนี้เมื่อก่อนก่อนที่เราจะมาได้ร่างกายนี้เราก็มีร่างกายอีกร่างกายหนึ่งที่เราได้จากพ่อแม่อีกคู่หนึ่ง แต่พอร่างกายเก่าที่เร า, เาได้มาตายไปเราก็ต้องมารับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่แล้วก่อนที่จะมารับร่างกายอันใหม่เราก็ต้องไปรับผลบุญ ผ, ผ, ผลบาป ก, ก่อนไปเกิดไปไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นเปรยไปสวรรค์หรือไปนรกนี่คือ เรื่องของตัวเราเองที่เรากลับไม่รู้เพราะเราตาบอดเราไม่มีตาทิพกันเราจึงไม่เห็นร่างทิพเห็นกายทิพของเราเราเห็นแต่กายหยาบแต่กายทิพเราไม่เห็นเราจึงไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาปไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ ไม่แน่ใจเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดว่า ม, มีจริงหรือไม่แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะมีคนมายืนยันว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริงผู้ที่ไปเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงผู้ผู้ที่ทำบุญก็จะไปรับผลบุญผู้ที่ทำบาป ก, ก็ต้องไปรับผลบาป ผู้ที่ไปไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้ไปไม่ได้ไปนรกไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ผู้ที่จะไปได้ก็คือกายทิพย์ของเราที่เราเรียกว่าจิตใจกายทิพย์คือผู้รู้ผู้คิดเราต้องคิดก่อนเราถึงจะสั่งให้ร่างกายมาวัดได้ถ้าเราไม่คิดร่างกายก็จะไม่มาวัดเราต้องสั่ง ก่อนที่เราจะสั่งเราต้องคิดก่อนเช่นเมาวานนี้เราคิดว่าพรุ่งนี้ไปวัดกันดีไหมไปทําบุญกันอพอเราคิดแล้วเราก็เลยสั่งให้ร่างกายพูดชวนเพื่อนมาพรุ่งนี้เราไปวัดกันแล้วพอถึงเวลาเราก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาวัดกันอพอเรามาวัดเราก็ได้มาทําบุญกันเอากับข้าวกับปลาอาหารต่างๆ เรื่งใช้ไม้สอยต่างๆมาถวายพระการเสียสละแบ่งปันความสุขของเราเข้าของเงินทองของเราให้แก่ผู้อื่นนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญเมื่อเราทำบุญแล้วเราก็รู้สึกสบายใจมีความสุขใจนี่แหละคือสวรรค์สวรรค์ไม่ได้เป็นท้องที่เหมือนกับกรุงเทพ หรือนครสวรรค์แต่เป็นความรู้สึกในใจเรานาลกอยู่ในอกสวรรค์อยู่ในใจ <Yeah. S 1> เวลาเราทำความดีใจเราจะเบิกบานใจเราจะเย็นจะสบายมีความสุข <Yeah. S 1> เวลาเราทำบาปใจเราจะร้อนใจเราจะทุกข์ yeah. <Yeah. S 1> นี่แหละคือนาลกสวรรค์ อยู่ในอยู่ในใจทิพย์อยู่ในร่างทิพย์ของพวกเราไม่ได้อยู่ที่บนท้องฟ้าหรืออยู่ใต้ดินอยู่ในใจของเราถ้าเราคอยสังเกตดูเราจะเห็นว่าวันวันอย่างนี้บางทีเราก็ขึ้นสวรรค์บางทีเราก็ตกนรกกันเวลาที่ใจเราทุกข์ใจเราร้อนใจเราวุ่นวายตอนนั้นใจเรากำลังไปนรกกัน กำลังไปอบายกันเวลาที่ใจเราเย็นใจเราสงบใจเรามีความสุขเวลานั้นใจเราไปสวรรค์กันนี่แหละคือนรกและสวรรค์ที่แท้จริงมีตั้งแต่ที่ร่างกายของเรายังไม่ตายขณะนี้ตอนนี้เราขึ้นสวรรค์กันแล้วเพราะใจเรามีความสุขกันเวลาเรามาทมําบุญแล้วใจเราเย็นใจสบายมีความสุข นี่แหละเรียกว่าสวรรค์แต่ถ้าเราไปทําบาปไปทําร้ายผู้อื่นใจเราจะร้อนขึ้นมาจะทุกข์ขึ้นมาจะหวาดกลัวจะวิตกกังวลต่างๆตอนนั้นเราไปนรกแล้วใจของเราสะสมบุญสะสมบาปสะสมสวรรค์สะสมนรกเหมือนกับที่เราสะสมเงินทองเวลาที่เราไปธนาคารเราเอาเงินไปฝาก แต่ละครั้งที่เราฝากเงินที่เราฝากก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับการทำบุญทำบาปของเราในแต่ละวันมันก็เป็นเหมือนกับเอาเอาบุญเอาบาปไปฝากไว้ในธนาคารใจไปฝากไว้ในใจของเราแล้วพอเวลาตายบุญกับบาปมันก็จะมาแสดงตัวมา มาจ่ายให้กับเราเหมือนกับเราไปเบิกเงินในธนาคารเวลาเราต้องการถอนเงินหมดเราก็ไปที่ธนาคารธนาคารเขาก็ดูยอดว่าเก็บไว้กี่พันกี่หมืน่นถ้าต้องการถอนหมดเขาก็จ่ายให้เราตามที่เราฝากไว้บุญกบารที่เราทําไว้ในแต่ละวันนี้ก็เหมือนกับเงินที่เร า, เาไปฝากไว้ในธนาคารหรือหนี้ที่เราไปกู้จากธนาคารมา พอถึงเวลาตายนบุญกับบาปก็จะมาคิดบัญชีกันถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาปเราก็จะมีบุญมากกว่าบาบุญก็จะพาเราไปสวรรค์แต่ถ้าเราทำบาปมากกว่าบุญบาปก็จะมีมากกว่าบุญบาปก็จะดึงเราไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรก แล้วไปใช้บาปหรือไปใช้บุญจนกว่าบุญกับบาปนั้นมันไม่มีกำลังที่จะดึงเราไปสวรรค์หรือดึงเราไปอาบายเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็มาทำบุญทาบาปกันใหม่แล้วพอตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปใหม่นี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเรา ที่พวกเราไม่รู้กันเราไม่รู้ว่าเรามีชาติก่อนๆหลายล้านชาติเราได้เกิดมาแล้วหลายล้านครั้งด้วยกันและเราก็จะเกิดอีกหลายล้านครั้งต่อไปถ้าเราไม่อยากจะเกิดเราก็ต้องรอให้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะนอกจากที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะรู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราแล้ว ท่า น, นยังรู้จักวิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราได้ถ้าพวกเราไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะเบื่อกับการเกิดเกิดมาแล้วต้องมาทุกข์กับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้องแล้วก็ต้องมาทุกข์กับคนนั่นคนนี้ทุกข์กับสิ่งนั่นสิ่งนี้เราก็ยังต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย ถ้าเราเบื่อกับการที่เราจะต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆถ้าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสงสารบเราก็จะได้เรียนรู้วิธีที่เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาตายอีกต่อไปวิธีที่เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาตายก็คือเราต้องไปบวชกันไปบวชเพื่อตัดความอยากต่างๆ ตัดความโลภความอยากกิเลสตัณหาที่เป็นตัวดึงให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันนะถ้าเรามีศรัทธาแล้วเรามีกําลังที่จะไปบวชไปอยู่กับไปศึกษากับพระพุทธเจ้าหรือไปศึกษากับพระอริยสงสารลกได้ท่านก็จะสอนวิธีให้เราหยุดความอยากกันการหยุดความอยากก็ให้เรามา นั่งสมาธิกันพุโทโธพุโทโธกันอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราสามารถหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความโลภหยุดความอยากได้ชั่วคราวแล้วถ้าเราอยากจะหยุดความโลภความอยากอย่างถาวรเราก็ต้องเอาปัญญาที่พระเจ้าทรงรู้มาสอนเราว่าการทำตามความโลภทำตามความอยากจะนำไปสู่ความทุกข์ จะนำไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายพ อ, อเรามีปัญญาอันนี้ทุกครั้งเวลาที่เราโลภอยากได้อะไรเราก็จะไม่เอาดีกว่าถ้าโลภเราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายสู้ไม่โลภดีกว่าสู้อยู่เฉยเฉยดีกว่าอยู่เฉยเฉยก็ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไระถ้าเราไม่มีความอยากอยู่เฉยเฉยนี้จะมีความสุขมากกว่าไปทำอะไรต่างๆ เพรเวลาไปทำอะไรมันก็ต้องเหนื่อยไปเที่ยวกันเนี่ยต้องเหนื่อยถ้าอยู่เฉยๆที่บ้านได้ไม่อยากเที่ยวกับสบายกว่าถ้าไม่มีความอยากเราอยู่เฉยๆจะมีความสุขที่เราอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะว่าเรามีความอยากกันแต่ถ้าเราฝืนความอยากได้เอาชนะความอยากได้เราจะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้เมื่อเรามีความสุขเราก็ไม่ต้อง ไปทำอะไรอีกต่อไปไม่ต้องไปเที่ยวไปดูไปฟังเราก็ไม่ต้องมีร่างกายเมื่อเราไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาร่างกายอันนี้ตายไปเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่เพราะไม่มีความอยากไปเที่ยวไม่มีความอยากไปดูไปฟังไปลิ้มรสดมกลิ่นเราก็ไม่ต้องมีร่างกายเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ เมื่อไม่กลับมาเกิดใหม่เราก็ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกันนี่คือวิธีที่เราจะทําให้เราไม่ต้องมาทุกข์กันอีกต่อไปเราจะอยู่เฉยๆอยู่แบบไม่มีร่างกายซึ่งอยู่อย่างมีความสุขเพราะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจของเรานี่คือการอยู่ของพระพุทธเจ้ากับของพระสาวกทั้งหลาย ตอนนี้ท่านก็ยังอยู่แต่ท่านอยู่แบบไม่มีร่างกายเพราะมีร่างกายแล้วมันทุกข์ไม่มีร่างกายแล้วมันสุขท่านก็เลยเลือกเอาอยู่แบบไม่มีร่างกายดีกว่าอยู่กับร่างทิพย์กายทิพย์อย่างเดียวไม่ต้องมีร่างกายหยาบเพราะร่างกายหยาบนี้มันเป็นภาระ <timeline S 2> มันเป็นกองทุกข์ต้องคอยเลี้ยงดูมันต้องคอยดูแลรักษามัน แล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของมันดังนั้นท่านเลยตัดความอยากต่างๆหมดไปจากใจก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปถ้าพวกเราทุกข์เบื่อกับร่างกายก็ลองไปบวช ด, ดูลองไปนั่งสมาธิหยุดความคิดหยุดความอยากดูแล้วเราจะรู้สึกว่าดีมีความสุขมากกว่าการทาอะไรต่าง ทำอะไรตามความอยากต่างๆเพราะทำแล้วเดี๋ยวก็หมดได้ความสุขจากการไปเที่ยวมาแล้วเดี๋ยวก็หมดพอกลับมาบ้านก็เบื่ออยากจะไปเที่ยวอีกก็ทุกข์อีกแต่ถ้าเราหยุดความอยากเที่ยวได้เราก็ไม่ต้องไปเที่ยวเราอยู่บ้านเฉยๆเราก็มีความสุขได้นี่คือวิธีที่เราจะทำให้เราั้ n ไม่ต้องทุกข์กับ เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดติดต่อไปถ้าเราได้มาพบกับพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ที่นานๆจะมีสักครั้งหนึ่งการมาเกิดของเราเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสมอไปนานๆเป็นล้านล้านปีถึงจะได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สักครั้งหนึ่งดังนั้นการที่เราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในชาตินี้ จึงถือว่าเป็นโชคมหาศาลเราควรที่จะรีบไปเอาประโยชน์ไปรับโชคจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเพราะเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรความสุขที่เกิดจากการไม่ได้มาเกิดนี้เองจึงขอฝากเรื่องของการมา สร้างปัญญาสร้างความรู้ความฉลาดด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญและความสิ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรยัยมีพระพุทธพระธรรมพระสง